กิจวัตรประจำวันของท่านพระครูคือตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่แล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึง6โมงเช้าจากนั้นจึงจะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้มีโอกาสสร้างคุณความดีด้วยการบริจาคทานเพื่อขจัดความตรณีเหนียวแน่นออกไปจากจิตใจท่านพระครูถือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นข้อวัดปฏิบัต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 ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสท่านพระครูย้ำเตือนพระลูกวัดอยู่เสมอว่าหน้าที่ของบรรพชิตที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้มีสามข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผู้ใดเกียจคร้านละเลยต่อหน้าที่ถือว่าบวชเสียเข้าสุขและได้ชื่อว่ายังชีพอยู่ด้วยการเบียดเบียนชาวบ้าน พวกญาติโยมเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาพระประเภทนี้ถ้าอย่างนั้นพวกพระที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ไหว้หวยรับปลุกเสกลงเลขยันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของพระใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบวชใหม่รูปหนึ่งถามขึ้นฉันไม่อยากเรียกคนประเภทนั้นว่าพระ เรียกว่าพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินดูจะเหมาะกว่าคนสมัยนี้มักหากินกันแปลกๆไม่ยักกลัวบาปกลัวกรรมเขาคงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงกระมังครับแต่บางคนทั้งๆ ท, ที่เชื่อก็ยังทำฉันไม่อยากจะพูดพระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณแต่เบื้องหลัง อย่าพูดดีกว่าฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้มันกระทบกระเทือนสถาบันสงฆ์เพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอีกมากท่านพระครูพูดอย่างปลงตกหลวงพ่อครับผมเคยฟังมาว่าท่านเจ้าคุณบางองค้คายาเสพติดจริงหรือเปล่าครับพิกษุหนุ่มถามอีก อย่าคิดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาเจริญกรรมฐานไปดีกว่าบางครั้งการรู้อะไรมากๆ ม, มันก็เป็นภัยกับตัวเราเองคิดเสียว่าชั่วช่างชีดีช่างสงพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลหวานพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วข้อนี้เป็นสัจ ธ, ธรรมครับผมสบายใจมากที่ได้มาบวชอยู่วัดนี้ผู้บวชใหม่พูดอย่างปลาปลืม้มที่นี่ไม่รับคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ทำหน้าที่ของพระ ใครมาอยู่วัดนี้แล้วไม่เอากรรมฐานก็ น, นิมนต์ไปอยู่วัดอื่นฉันต้องการคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขึ้นชื่อว่าสง์ต้องเป็นสุปฏิปันโนที่แท้จริงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสากยะบุตรอย่างสมบูรณ์แบบท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่น ชื่อเสียงด้านความเคร่งครัดในการปฏิบัติของพระวัดนี้ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งบรรพชิตและคารวะผู้มุ่งความสงบทางจิตจะพากันมุ่งหน้ามายังวัดแห่งนี้ซึ่งตั้งเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานและมีชื่อเสียงด่งดังมานาน ปุตตรมฐานถูกสร้างขึ้นหลังแล้วหลังเล่าจนเต็มบริเวณวัดกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของบรรดาผู้แสวงหาโมกขธรรมผู้ไม่ถือว่าเรื่องที่พักอาศัยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญบา ร, รมีด้วยเหตุนี้จึงมักปรากฏอยู่เสมอที่พวกเขาพากันไปกลางกรดอยู่นอกวัดโดยไม่อาทอต่ความร้อน หนาวของอากาศขอเพียงให้จิตสงบเย็นเป็นพอเช้าวันหนึ่งในต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราชส5 1 6หลังจากที่ท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จก็เตรียมตัวออกบินทบาทปโปรดสัตว์โดยมีลูกศิษย์หิ้วบินโตเดินตามหลังเมื่อท่านอุ้มบาทเดินออกมาถึงหน้าประตูวัดก็พบชายชกันผู้หนึ่งอายุดรราว สามสิบปีสะพายกระเป๋าเสื้อผ้าใบย่อมไว้บนบ่าข้างขวาเดินเข้ามานั่งยองๆ ย, ยกมือไหว้แล้วถามท่านด้วยอาการตื่นเต้นว่าท่านท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะมงใช่หรือเปล่าครับเสียงที่พูดฟังแปลงหูแสดงว่าไม่ใช่คนถินนี้ฉันนี่แหละเธอคงไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหม ท่านถามท่าทางเขาดีใจและประหลาดใจรักคนกันรีบตอบท่านว่าครับผมมาจากกาลสินมีธุระอะไรกับฉันหรือมีครับสำคัญมากแต่ผมคือมันเป็นความลับครับเขาพูดอึกอึกอักอกครั้นจะบอกไปตามตรงว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์ของท่านรู้ก็เกรงว่า เจ้าหมอนั่นจะตั้งตัวเป็นศัตรูเอาละ่ะฉันเข้าใจว่าแต่ว่าธุระของเธอด่วนมากหรือเปล่าถ้าไม่รีบร้อนรอฉันกลับจากบินทบาทเสียก่อนจะได้ไหมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหาทางออกให้ ได้ครับได้ผมจะรอท่านอยู่ตรงนี้ชายต่างถิ่นรีบตอบท่านพระครูตั้งสติกําหนดเห็นหนอแล้วท่านเพ่งสายตาไปที่หน้าผากของเขาก็รู้ว่าบุคคลผู้นี้มิได้มาร้ายจึงที้มือไปที่กุติของท่านแล้วพูดว่าไปนั่งรอที่กุติของฉันดีกว่านั่นหลังนั้น ห, หนุ่มยกมือไหวอีกครั้งแล้วจึงเดินไปรออยู่ที่กุฏิตามคำสั่งของท่านเขาดีใจและแปลกใจมากที่เหตุการณ์ช่างตรงกับความฝันพระรูปนั้นมาปรากฏให้เขาเห็นในฝันติดติดกันถึงสามคืนจนเขาจําท่านได้ติดตาช่างเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งนักเขาปลดกระเป๋า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 แต่ก็แปลกที่เสียงนั้นช่างไม่เหมือนกับเสียงของท่านพระครูเลยสักนิดมันก้องกังวานและดูมีอำนาจลึกลับอย่างไรชอบกลนจะเป็นเสียงใครกันหนาคงจะต้องถามท่านพระครูดูท่านคงจะรู้เขาแน่ใจว่าท่านต้องรู้เกือบแปดโมงท่านพระครูและลูกศิษย์จึงกลับมาท่านวางบาทไว้บนอาสนะ แล้วจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำลูกศิษย์จัดเตรียมสำรับไว้พร้อมแล้วจึงถอยออกมานั่งคอยรับใช้อยู่ห่างๆท่านพระครูตั้งสติพิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันพร้อมทั้งทำกรรมฐานเริ่มตั้งแต่เห็นหนอตักยกมาอ้าใส่เคี้ยวกลืนทุกอิรยาบท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 เพราะอยู่ด้วยอำนาจของสมาธิที่คนธรรมดาธรรมดาไม่อาจทำเช่นนั้นได้เอากินข้าวกินปลาเสียก่อนมอีเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังท่านบอกชายแปลกหน้าลูกศิษย์วัด ต, ตักข้าวใส่จานสองจานแล้วเรียกเข้ามาร่วมวงท่านพระครูลุกออกไปแปลงฟันบ้วนปากในห้องน้ำ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 เดินมาจากไหนคงไม่ใช่จากกาลสินนะครับผมเดินมาจากกาลสินกว่าจะถึงที่นี่กินเวลาส5้าวันพอดีเขาตอบทำไมถึงไม่ขึ้นรถมาละ่ะรถโดยสารมีออกเยอะแยะในฝันเขาบอกให้เดินมาครับอ๋อเชื่อฝันท่านพระครูยิ้มอย่างใจดี บางครั้งคนที่มาหาท่านก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเสมอๆ เ, เอ๋ชื่อแปลกดีนี่นะฟังเหมือนชื่อยวนเป็นยวนหรือเปล่าท่านวกกลับมาถามเรื่องชื่อผมเอ่อเป็นไทยครับบูเฮียรีบตอบเขากลัวท่านพระครูจะไม่ยอมให้บวชถ้ารู้ว่าเป็นคนโยนแล้วไปยังไง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 พ่อกับแม่ทํางานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์พ่อมีหน้าที่ฆ่าวัวฆ่าควายซึ่งวันหนึ่งหนึ่งจะฆ่าได้หลายตัวส่วนแม่ก็ช่วยแล่เนื้อหนังกระดูกตลอดจนพวกเครื่องในออกจากกันเพื่อเตรียมส่งขายมีร้านค้า ย, ย่อยมารับเอาไปขายราเราตีสี่ผมก็เกิดและโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นพ่อกับแม่ทํางานทุกวันเท่าแก่เขาให้พวกเรากินอยู่ในนั้นเสร็จเมื่อผมโต พ่อก็พาไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลพ่อจบประถมสี่จึงออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานแรกๆ ก, ก็ช่วยแม่และเนื้อพ่อโตอายุ 14-15 ี่สห้าก็ช่วยพ่อฆ่าวัวควายปีต่อมาพ่อตายเท่าแก่เลือให้ผมทำงานแทนพ่อพ่อเธอเป็นอะไรตายท่านพระครูถามขึ้นนายโบเหี่ยวนิ่งไปพักใหญ่ๆ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 ผุดขึ้นในความทรงจำมันแจ่มจ้าชัดเจนเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่วันเวลาล่วงเลยมาถึง1ิปีแล้วแม่เธอก็ต้องติดคุกนะสิครับแม่ถูกจับฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาสารตัดสินให้จำคุก20ปีแต่ลดให้ครึ่งหนึ่งเพราะแม่รับสารภาพพอปีพราร้อยกก็ได้รับการลดโทษอีกครึ่งหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ในหลวงอายุสามรอบเป็นคนไทยต้องพูดราชาศัพท์ได้เขาเรียกว่าทรงเจริญพระชนมายุครบ 36, ส6สพรรษาท่านพระครูขัดขึ้นนายโบเหียวหน้าซีดรีบแก้ตัวเป็นพลวันผมจบแค่ปสี่พูดไม่เป็นหรอกแต่ผมเป็นคนไทยเอาละเอาละไหน เล่าต่อไปสิครับแม่ติดคุกอยู่ห้าปีพอออกจากคุกก็มาทำงานอยู่ที่เก่าผมก็อยู่กับแม่มาเรื่อยๆกระทั่งผมอายุได้25ปีก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับผมหลวงพ่ออาจไม่เชื่อก็ได้เขาหยุดเล่าและมองหน้าท่านเหมือนจะอย่างดูท่าทีของอีกฝ่ายเล่าไปเถอะเชื่อหรือไม่เชื่อ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 ตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่ากินมากก็ฝันมากพอคืนที่สองที่สก็ฝันแบบเดียวกันนี้อีกเล่าให้แม่ฟังแกก็บอกให้ลองทาตามฝันดูผมจึงไปขอลางานเท่าแก่แกไม่ให้ลาเพราะไม่มีคนแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำงานมาอีกปีหนึ่งแล้วก็ได้โอกาสเมื่อแม่มีผัวใหม่คือผัวใหม่แม่สมัครมาทำงานแทนผมเท่าแกเลยยอมให้ลาออก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 ขยันขันแข็งแล้วก็ไม่กินเหล้าในบูเฮียพูดราวกับว่าความดีของพ่อเลี้ยงจะทำให้ความผิดของแม่ลดน้อยลงเพราะการแต่งงานกับเด็กคราวลูกคราวหลานถือเป็นเรื่องผิดในสายตาของคนทั่วไปถึงจะมีบางคนว่าไม่ผิดแต่อย่างน้อยมันก็ผิดปกติท่านพระครูเชื่อตามที่ชายหนุ่มเล่ามาทุกประการ เพื่อความแน่ใจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคิดดังนั้นท่านจึงตั้งสติกำหนดเห็นหนออีกครั้งและก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นความจริงเกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวคือพ่อหนุ่มผู้นี้เป็นคนยวนไม่ใช่คนไทยท่านเข้าใจถึงสาเหตุที่เขาต้องพูดปดและคนที่พูดปดได้ก็เพราะจิตยังหยาบต่อเมือ่อบัติกรรมฐานจนจิตละเอียดประณีดขึ้น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 การเติบโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นได้ทำปาณาติบาตจนชินทำให้จิตใจของเขาหยาบ ก, กระด้างเกินกว่าคนปกติลองนึกดูให้ดีๆสิถ้าเหตุไม่มีแล้วผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านพระครูลองทดสอบคุณสมบัติทางใจของเขานายโบเฮียนั่งนึกอยู่หลายนาที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 ก็คนประเภทนี้มีสักกี่คนกันเล่าที่โชคดีเพราะเขาได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งฉันเห็นมันนักต่อนักแล้วพวกคนที่ว่าไม่เชื่อนรกพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นรีบทำบุญสร้างคุณความดีกันทุกรายเพราะได้ไปเห็นของจริงมาแล้วพอเขาทำดีเมื่อตายลงอีกครั้ง ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิท่านพระครูอธิบายอบายภูมิแปลว่านรก้วยครับคนฟังเริ่มสนใจด้วยไอละอองของบุญเก่ายังมีเชื้อเหลือหลงอยู่บ้างอบายภูมิหมายถึงภูมิที่ไม่เจริญได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉาน คนที่ทำความชั่วเมื่อตายลงไปจะไปเกิดในอบายภพนี้ทำอะไรบ้างครับจึงจะเรียกว่าทำชั่วเขาถามอีกก็ละเมิดศีลห้านี่แหละรู้จักศีลไหมละ่ะพ่อแม่เคยพาไปทำบุญที่วัดบ้างหรือเปล่าท่านพระครูถามที่รู้คำตอบดีเห็นหนอทำให้ท่านรู้กฎแห่งกรรมของบุรุษผู้นี้ อย่างทะลุปรุปโรงไม่เคยครับพ่อกับแม่ไม่เคยเข้าวัดไปทําบุญแต่ถ้าเข้าไปดูหนังดูละเกนในวัดและก็บ่อยตอบอย่างพาซื่อถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้นะซีว่าการกระทาที่ละเมิดศีลห้ามีอะไรบ้างอยากรู้ไหมละ่ะอยากครับหลวงพ่อที่บอกผมหน่อยเถอะครับ งั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะการกระทําที่ละเมิดศีลก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขมโมยการเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นการพูดปดและการดื่มสุราเมรยัยท่านพระครูอธิบายเพราะถือว่าการสั่งสอนธรรมะเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงได้ฟังถ้อยคำของเจ้าอาวาส นายโบเฮียวรู้สึกสะท้านสะเทือนในหัวอกคาะเมิดศีลไปสองข้อแล้วคือฆ่าสัตว์กับพูดปดส่วนอีกสามข้ อ, อยังไม่เคยทำโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนั้นเขาจะไม่ล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาด <c oughs> ก็ไม่ใช่เพราะดื่มสุราเมลรายหรอกหรือพ่อจึงต้องจบชีวิตลงอย่างอเนจอนาตหลวงพ่อครับฆ่าสัตว์ก็บาปด้วยหรือครับเขากังขา แน่นอนถ้ายังนั้นผมก็คงบาปมากเลยเพราะขาบวกขาควายทุกวันยกเว้นวันพระซึ่งทางการข้อห้ามผมคิดว่าข้าคนถึงจะบาปชายหนุ่มเพิ่งจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูได้หล่อหลอมให้เขาเป็นผู้มีจิตใจหยาบกระด้างแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณาและด้วยเหตุนี้ความรู้สึก ผิดชอบชั่วดีจึงบังเกิดขึ้นเมื่อกุศลผลบุญแต่ปางก่อนดลใจให้มาพบกัลยาณมิตรทีนี้เธอก็คงรู้แล้วสินะว่าทำไมถึงต้องแก้กรรมท่านพระครูถามขึ้นครับนายโบเฮียวตอบเขาก้มหน้านิ่งด้วยความรู้สึกละอายใจ ที่โกหกท่านเรื่องเชื้อชาติของตนในที่สุดจึงตัดสินใจถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับคนที่ไม่ใช่คนไทยจะบวชที่วัดนี้ได้ไหมครับทําไม่จะไม่ได้เล่าที่นี่ไม่จากัดเชื้อชาติถ้ามีจิตศรัทธามาขอบวชและมีคุณสมบัติครบก็บวชได้ทั้งนั้นท่านพระครูตอบ แล้วคุณสมบัติที่ว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็ต้องเป็นคนมีอาการครบ32ไม่พิกกลพิกการหรือบ้าใบาบอดนวกแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือถ้ามีเมียก็ต้องให้เมียอนุญาตถ้าเมียไม่มีแล้วพ่อตายจะบวชได้ไหมครับ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 หากได้รับการศึกษาอบรมมาดีกว่านี้ในโบเหียรคงจะพูดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้พูดความจริงกับหลวงพอ่อขอโทษเรื่องอะไรหรือเรื่องที่ผมโกหกว่าเป็นคนไทยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนไทยพ่อแม่ผมเป็นยวนแต่ผมเกิดในเมืองไทยจึงได้สัญชาติไทยแต่เชื้อชาติยวน แล้วทำไมต้องพูดปดด้วยเล่าแม้ท่านพระครูจะล่วงรู้เหตุผลกลไกของเขาเป็นอย่างดีหากท่านก็จำต้องถามเพื่อให้เขาได้พูดออกมาอันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาได้ขอขมาในความผิดนั้นแล้วก็ถ้าพูดความจริงผมกลัวหลวงพ่อจะไม่ยอมรับบทให้ผมครับเขาตอบอ้าวแล้วกัน นี่ฉันไปรับปากรับคำว่าจะบวชให้เธอตั้งแต่เมื่อไรท่านตั้งใจจะล้อเล่นแต่นายบัวเหี่ยวเข้าใจว่าท่านพูดจริงใจที่กำลังฟูฟ่องนั้นกลับฟุบแฟบลงเสียทันใด